ปลายเดือนมิถุนายนปีนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เพิ่งเสร็จจากการสอบนักศึกษาอเมริกันแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งอยู่ต่างเมืองหรือในรัฐอื่นหลังจากนี้อีกไม่กี่วันมหาวิทยาลัยก็จะปิดตลอดฤดูร้อนเมืองเล็กๆแห่งนี้จะค่อนข้างเงียบเหงาไปจนกว่าจะถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอมวุเดิอนออกจากห้องเช่าซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากมหาวิทายาลัยพร้อมด้วยคันเบ็ด เป้หลังใบเล็กที่สะพายไหลมีแซนวิชกับน้ำดื่มแล้วก็หนังสือเล่มที่ยังอ่านค้างไว้ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเขาตั้งใจว่าจะหางานพิเศษทมเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านวุฒคิดอยู่ในใจในขณะที่เดินตัดสนามผ่านตัวอาคารหลังใหญ่ซึ่งเป็นห้องสมุดจากนั้นก็เดินเลาะไปตามทางเท้าด้านข้างของอาคารโรงผลิตไฟฟ้าของมหาวิทยาลายัยก่อนที่จะออกสู่ป่าละเมาะด้านหลัง เพื่อนชาวญี่ปุ่นที่เช่าห้องพักอยู่กับเขาจะไปทํางานในแคนาดาในช่วงฤ ด, ดูร้อนหาเงินสักก้อนแล้วก็จะกลับมาเรียนตอนเปิดเทอมเพื่อนคนนั้นชวนให้เขาไปด้วยกันวูดเองก็สนใจเพราะว่าอยากหาประสบการณ์ในการทํางานดูบ้างเพื่อนชาวเคนยาอีกคนนึงชวนให้ไปทํางานในฟาร์มที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนักแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าคนตัวเล็กๆอย่างเขาจะทํางานหนักในฟาร์มอเมริกันไหวหรือไม่ในที่สุด เพื่งเมื่อวานนี้เองที่เขาตัดสินใจไปทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารไทยที่แอลเอซึ่งเจ้าของร้านรู้จักกันดีกับครอบครัวของเขาจากป่าละเมาะทางเดินเล็กๆพาวุธไปยังบริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลายัยที่แน่นไปด้วยแมกไม้หนาทึปบปดบังหนองน้ำใหญ่ที่อยู่ด้านหลังไว้สนิทเพื่อนนักศึกษาของเขาหลายคนยังคงไม่เคยรู้ว่าหลังแนวป่าต้นโอ๊คมีหนองน้าวูพบที่นี่โดยบังเอิญเขาชอบบรรยากาศที่สงบ น้องน้ำแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าไม้น้ำสงบนิ่งเป็นสีเขียวเขาเองแอบมาที่นี่หลายครั้งนอกจากอ่านหนังสือแล้วเขามักใช้เวลาตกปลาอยู่ตรงนี้ครั้งละนานๆบ่ายวันอาทิตย์ด้านหลังมหาวิทยาลัยในตอนเย็นแบบนี้ไม่ค่อยมีคนผ่านไปมานักชายหนุ่มนั่งตรงไม้ยาวคร่ำคร่าที่อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่วางเป้ลงข้างๆตัวเกี่ยวเหยื่อที่นามาด้วยแล้วเหวี่ยงสายเบ็ดลงไปในน้า จากนั้นก็วางคันเบ็ดลงพาดกับตักเขาหยิบแซนด์วิชออกมารับประทานรู้สึกคิดถึงบ้านที่เมืองไทยนี่ถ้าอยู่ที่บ้านคงไม่เหงาเช่นนี้แล้วชายหนุ่มก็หยิบหนังสือจากเป้ออกมาอ่านราวครึ่งชั่วโมงต่อมาคันเบ็ดที่พาดบนตักสั่นเล็กน้อยเขาหยิบขึ้นมาถือหมุนรอบเบาๆแรงต้านที่รู้สึกได้บอกว่ามีปลากินเหยื่อสายเบ็ดถูกลากไปสกรูแล้วก็นิ่งสนิท วุดหมุนเบ็ดมาเกี่ยวไส้เดือนตัวใหม่ก่อนที่จะเหวี่ยงให้สายเบ็ดลงไปกลางหนองน้ำอีกครั้งต้องปล่อยให้มันลากไปก่อนเสียงพูดมาจากด้านหลังด้วยสำเนียงแบบชาวบ้านอเมริกันแถบนั้นชายหนุ่มหันหลังไปมองชายคนนั้นอายุในราวห0สบกว่าร่างใหญ่ใบหน้ากร้านท่าทางใจดีผมสีน้ำตาลอ่อนเกือบจะเป็นสีขาวทั่วศีรษะสวมชุดเอี้ยมยีนเก่าๆ เ, เสื้อเชิ้ตสีฟ้าและรองเท้าบูตตามแบบของชาวไร่ทั่วไป วุฒ์กล่าวทักทายชายคนนั้นด้วยภาษาเดียวกันไม่เคยตกปลาแล้วสิท่าชายคนนั้นพูดพร้อมกับยิ้มเคยครับตอนอยู่ที่ประเทศของผมแต่ว่ายังไม่เคยตกปลาที่นี่เอาแล้วคุณมาจากไหนอะ่ะเมืองจีนเหรอไม่ใช่ครับผมมาจากไทยไทยแลนด์คุณคงรู้จักดีไต้หวันชายคนนั้นพูดไม่ใช่ครับนั่นเป็นประเทศจีนเป็นเมืองหลวงชื่อไทเป ไท a แลนด์ของผมเนี่ยคือเมืองหลวงชื่อกรุงเทพไม่ไกลกันจากเวียดนามเท่าไหร่นักวุดอมยิม้มนับครั้งไม่ถ้วนที่เขาต้องอธิบายแบบนี้ให้กับคนอเมริกันชาวบ้านซึ่งไม่ค่อยรู้จักโลกภายนอกมากนักชาวได้แถบ m i d เวส t น้อยคนที่จะรู้เรื่องต่างประเทศเยาว่าแต่การเดินทางไปประเทศอื่นเลยแม้แต่การเดินทางออกนอกรัฐก็เป็นเรื่องใหญ่ของคนจานวนไม่น้อยที่นี่ ยุคนั้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากเวียดนามซึ่งกำลังมีทหารอเมริกันนับหมื่นคนอยู่แล้วชาวอเมริกันบ้านนอกก็ไม่รู้จักประเทศอื่นชายคนนั้นยื่นมือให้ชายหนุ่มผมบิลไวท์วุดจับมือกับชายหนุ่มคนนั้นผมชื่อวุฒครับเป็นนักศึกษาที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักครับชาวได้สูงวัยนั่งลงบนมานั่งข้างๆชายหนุ่มปลาตรงนี้มันมีอยู่สองมชนิด ไอ้ที่งับเบ็ดของคุณเมื่อกี้เน่ยเป็นปลาคราฟกินไม่อร่อยก้างมันเยอะคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นปลาคราฟชาวไร่หัวเราะแสดงว่าคุณไม่ได้ตกปลาที่นี่บ่อยแล้วสิที่จริงผมก็มาหลายครั้งนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องปลามาเปลี่ยนบรรยากาศก็กเท่านั้นเองตรงเนี้มีปลาหลากัหลกๆอยู่2 อ, อย่างก็คือปลาคราฟกับแค fish ที่ผมรู้ว่าเป็นปลาคราฟก็เพราะไอ้นี่มันจะลากเบ็ดแล้วก็งับไม่ลึกมือใหม่ๆรีบดึงเบ็ดแบบคุณเนี่ยหลุดร้อยทั้งร้อย แล้วต้องทํำยังไงอะครับต้องปล่อยให้มันลากผ่อนซ้ายไปแล้วก็ดึงทีละนิดทีละนิดระวังมันจะลากเบ็ดไปติดขอนไม้ใต้น้ํานะทีนี้พอรู้สึกว่ามันอ่อนแรงก็ค่อยหมุนเต็มสตรีมชาวไรอธิบายคุณคงตกปลามามากใช่ไหมครับชายชาวไรหันมาพูดยิ้มยิ้มตั้งแต่คุณยังไม่เกิดนั่นแหละตอนผมเด็กๆนะช่วงซัมเมอร์ที่เนี่ยเป็นสวรรค์ของพวกเราเราเลยตรงที่ที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นป่าไม้ ยาวไปจนถึงด้านหน้ามาหาวิทยาลัยที่ดินตรงนี้เป็นของตระกูลผมผมยกให้วิทยาลัยครูเป็นแห่งแรกของแคนซัสเอวิทยาลัยครูใช่ครับตอนนั้นนดีเรียกกันแบบนั้นพวกครูจากเมืองไกลๆในรัฐนี้จบจากที่นี่ทั้งนั้นบางคนมาไกลถึงวิชิต้าฟอสเฮเพิ่งมาเป็นสเตอยููไม่กี่สิบปีนี้เองชาวไร่อธิบายคันเบ็ดในมือกระตุกเสียงรอกขยับตัวเบาๆ วุฒขยับตัวลุกจากที่นั่งเขายืนถือคันเบ็ดปลดล็อกปล่อยให้สายเบ็ดถูกลากไป น, น, นั่นแหละอย่างงั้นแหละถูกแล้วผ่อนสายไปอีกชาวไร่บอกวุฒถือคันเบ็ดอยู่สักพักก็รู้สึกว่าแรงที่ลากเริ่มอ่อนลงเขาก็หมุนรอกดึงสายเบ็ดช้าๆถ้ารู้สึกว่ามันยังมีแรงก็ปล่อยให้มันลากไปอีกสักรอบไอ้แบบนี้นะี่ยแคทฟิตแน่อย่าหมุนเร็วเอา้าหยุดแล้วหมุนปลาตัวนั้นเป็นแคทฟิตจริงๆอย่างที่ชายสูงวัยบอก ขนาดราวสามปอนด์ชายหนุ่มปลดปลาออกจากเบ็ดก่อนจะปล่อยกลับคืนลงแอ่งน้ำไปอย่างเดิมแค f ฟ s h นี่เป็นปลาที่อร่อยนะถ้ารู้จักทาชาวไร่พูดอย่างอารมณ์ดีผมตกปลาเล่นเพลินๆ เ, เ, เท่านั้นหละครับที่สำคัญคือผมไม่กินปลาแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผืนน้ำเป็นสีทองวุดถอดคันเบ็ดในมือออกเป็น3 ส, ส่วนใส่ลงไปในถุงไวนิลสาหรับคันเบ็ดหยิบเป้ที่วางอยู่บนม้านั่ง ผมต้องกลับแล้วครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำผมในการตกปลาให้ผมคุณ เ, เขายื่นมือให้ชาวไรชายสูงวัยคนนั้นยื่นมือมาสัมผัสบิลบิลไว้ยินดีที่ได้รู้จักอีกรอบนะหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกในเร็วๆนี้เหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ดูเหมือนว่าไม่มีความสลักสาคัญแต่อย่างใดสัปดาห์ต่อมาวเดินทางไปแคลิฟอร์เนีย เขาเลือกที่จะใช้รถบัสแทนที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อประหยัดเงินและยังได้มีโอกาสเห็นสถานที่ต่า ง, างๆที่รถจะผ่านไปด้วยตลอด2เดือนของช่วงฤดูร้อนวุธททำงานในร้านอาหารไทยแถบนอตฮอลลีวูดต้นเดือนกันยายนก่อนเปิดเทอมเขาเดินทางกลับไปที่มหาวิทยาลัยเช้า ว, วันลงทะเบียนซึ่งเป็นวันที่เขาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในตึกอานวยการบนชั้นสองของตัวอาคารเป็นห้องทางานของบรรดาอาจารย์ ที่เรียงรายอยู่สองข้างของห้องโถงใหญ่ในขณะที่เดินขึ้นบันไดที่อยู่ด้านกลางห้องโถงสายตาของชายหนุ่มก็สังเกตเห็นรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าคนจริงที่ตั้งอยู่บนแท่นหินอ่อนสูงระดับสายตาตรงข้างผนังติดกับบันไดสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือรูปปั้นตรงนั้นที่เดินผ่านมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยดูอย่างพิจารณาวันนั้นรูปปั้นกลับดูคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูก เขาเดินเข้าไปใกลๆ้ๆอ่านข้อความที่สลักบนแผ่นทองเหลืองติดกับด้านหน้าของแท่นหินอ่อนใต้รูปปั้นนั้นวินเลียมฟรานซิสไวต์หนึ่งแปด้าสขีดหนเ้าูเขามองดูหน้ารูปปั้นใกลๆ้ๆรูปปั้นนั้นเหมือนใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้จักชายหนุ่มคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็นึกได้อย่างแปลกใจว่าหน้าตาของรูปปั้นนั้นเหมือนกันกับชายชาวไร่ที่เขาพบก่อนช่วงปิดเทอม เย็นวันที่ไปตกปลาริมหนองน้ำหลังมหาวิทยาลายัยเขานึกทบทวนเหตุการณ์ชายคนนั้นบอกชื่อบิวไว้ชื่อเหมือน ก, นกันกับคนในรูปปั้นนี้ซะด้วยช่างบังเอิญอย่างเหลือเกินเขาเดินลงบันไดเมื่อเดินผ่านห้องสมุดกลางเขานึกอะไรออกมาได้อย่างหนึ่งเดนินเข้าประตูห้องสมุดค้นรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลายัยจากช่องที่ใส่บัตรในรายการอีกไม่กี่นาทีต่อมาเขาเดินไปที่ชั้นหนังสือ คนที่เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเขาพลิกดูช้าๆทีละหน้าอย่างสนใจแล้วก็เห็นรูปถ่ายของชายคนนั้นรูปถ่ายเก่าที่นำมาพิมพ์ลงหนังสือเป็นรูปผู้ชายใจดีสวมสูทยืนอยู่หน้าอาคารมหาวิทยาลัยที่น่าแปลกคือใบหน้าเหมือนคนที่เขาเพิ่งพบที่หนองน้ำที่หลังมหาวิทยาลัย อ, อย่างไม่มีผิดเพี้ยนเขาพลิกอ่านเรื่องราวที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนั้น วิลเลียมไวท์ชาวไร่เจ้าของที่ดินจากตระกูลมั่งคัง่งมอบที่ดินมรดกของตนกว่า200เอเคอร์สำหรับสร้างวิทยาลัยครูแห่งแรกของรัฐแคนซัสเมื่อปีคริสตศักราช1901จากข้อมูลในหนังสือมหาวิทยาลัยแห่งนี้เดิมเป็นวิทยาลัยครูเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสเตปยูเมื่อปี1968ถึงตรงนี้เด็กหนุ่มชาวไทยรู้สึกแปลกใจมากขึ้นทุกที ภาพของชาวไร่คนนั้นกับคำพูดกระจ่างขึ้นในความทรงจำที่ตรงเนี้ยเป็นของตระกูลผมยกให้วิทยาลัยครูซึ่งเป็นแห่งแรกของรัฐแคนซัสพวกครูจากเมืองไกลๆในรัฐนี้ก็จบจากที่นี่ทั้งนั้นบางคนก็มาไกลถึงวิชิต้าฟอสเทเพิ่งมาเป็นสเตตยูไม่กี่สิบปีนี้เองวุดตกตะลึงเขาพลิกกลับไปดูรูปผู้ชายคนนั้นในหนังสืออีกครั้ง ผู้ชายในรูปกับคนที่เข้าพบริมหนองน้ำเป็นคนคนเดียวกันอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหนังสือเล่มนั้นบอกว่าวิลเลียมไว้ขหบดีชาวไร่ผู้มั่งคัง่งซึ่งบริจาคที่ดินเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในเดือนม ก, กราคมปีกริธศักราช1930ด้วยอายุ76ปีนั่นมันกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าชื่อฝรั่งเหมือนกันเยอะแยะไป บิวไว้ที่นายเจอนะ่อาจจะชื่อไปพ้องกับคนที่ตายไปแล้วก็ได้ผมเอ่ยขึ้นหลังจากที่ฟังเรื่องที่วุฒเล่าจบลงซึ่งตอนนั้นเรากําลังนั่งคุยกันในห้องทํางานของเขาที่ธนาคารย่านบางเขนซึ่งวุฒเป็นผู้จัดการสาขาอยู่บ่ายวันนั้นผมไปทําธุระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเสร็จธุระแล้วผมแวะเข้าไปคุยกับเขาตามระษ า, าพเพื่อนที่เคยเรียนร่วมชั้นกันมาตั้งแต่มัธยมอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะ แต่ว่าทําไมหน้าเหมือนกันยังกับแกะล่ะนายรู้ไหมเราเจอเรื่องแปลกกว่านั้นอีกอะไรอะ่ะก็อาทิตย์ต่อมาเราไปที่ตรงนั้นแต่ว่าคราวนี้เดินเล่นเรียบริมน้ําตามแนวป่าไปเจอหลุมฝังศพฮะมันมีสุสานด้วยเหรอไม่ใช่สุสานหรอกเป็นหลุมศพหลุมเดียวอยู่ใต้ต้นโอก๊กมีเสาหินจาวดึกชื่อที่จริงเราก็ไปแถวนั้นหลายครั้งไม่ยากรู้ว่ามีหลุมศพเขาทำซะสวยเชียวล้อมรั้วท่เตี้ยเขียนไว้ด้วยว่า เป็นที่ฝังศพของบิลไว้ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮะวุฒนิง่งไปครู่หนึ่งเรากับจะทวนความจำนายรู้ไหมอีกปีกว่าๆที่เรียนหนังสืออยู่จนกลับเมืองไทยเราก็ไปตรงหนองน้ำนั้นอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยเจอลุงนั้นอีกเลยวุฒเหลือบมองดูนาฬิกาตั้งโตะ๊ะก่อนที่จะพูดต่อว่านี่ก็เกือบ6โมงละออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าในซอยใกล้ๆเนี่ยมีร้านอร่อยนายไม่มีธุระอะไรไม่ใช่หรอ